สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพระธรรมเทศนาเรื่องเซนามาคีกามาคีกานี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความขมที่สุดดังนั้นพระธรรมเทศนาในเรื่องเสนามาคีกานี่เป็นพระธรรมเทศนาพื้นเมือง ก็เรื่องจะเป็นจะได้ขอขอเจอริญพอใหม่ปีน้องครับฟังเสียงจากดอกโตกเดือนตุลาครับผมนะโมตัสภะควะโตอะระหะโตสมรมสัมปัตตะ ญาติปาลาโลกะจมิงปฏติตาหนติปานินังสาธาโดลาจัปุริจาตังหลตังยิ่งใจมวนโม่อันมาพร้อมอยู่นำนาต่างพาธนาใครใด อย่างสุขพ้อมไควสามประการคือสุขสำราญพร้อมนาในโลกล้าเมืองคนมีองค์กระดอนพร้อมตวนบ่กขาดดวนเสียสี บ่อหอนมีผาหาตมาต้องปาดกาญาเข้าของงาหาได้ไง่ายดุตังางใจเตตานมีหลูกล้านใหญ่น้อยอยู่ตามถอยคำสอนบ่ อ, บอาวอนโศกเศร้าทุก กำเจ้าเจยบ้านสุขแหมประการหนึ่งใจยามตนใดไกลกาโมอละนาความนาได้เกิดเมืองคว้าไปบนเลือเกิดเบืองคนหลุมไตมีสุขพ้อมไข่วันคืนงายุยืนเจริญจอยบอดทาก้อยมองผ่าน สุขแถมปาการหนึ่งโจทสุขหญิงโยดสุดปลายทุกดับหายเสียงขอดนับเป็นยอดเจยบ้านคือสุขในนิพานเบียงแก้วสุขเลิศแล้วบ่ออาจกาณาดาจุ่มัาธาน้อยใหญ่ต่างมักไปสุขสามปาการจญิงใดเฮือดานเข้าน้ำ วัตถุพัมตามีศีนดวงดีหาแปดได้กดแขวดขักษายอมือวันตาต่างเกาไวพระเจ้าฟังทรรมจุงดาจำจิตต่อตามบาทอคอกองทรรมบัดนี้แต่เจอ เกล้าดังจากคู่บานีเล่ายังมีเต่าพระญาเจ้าตนหนึ่งองอาจตะเวลายาทะลงเมืองลุงเลืองยืนยาวตัวไายดาวเบียงใจยังมีไหนวันหนึ่งเล่า พาะาเจ้ากืดขวาดว่าจุมอัมมาตเสะนาทั้งขุนต่างตามวลโมอันเป้าอยู่ตึงวันจักปากันตั้งมันบ่ไหววันเววามีพระญาองอาจจบชะลาศกันใด กันขาหนิ่งในเมียนควายคนแก่นใจต่างตานำ ม, มาขีกาสุกแกมายื่แพราชราชทานแกโยธาหันนักขาดตั้งอัมมาตคนใน อุ่นเตรียมใจยดใหญ่ฮือพ้อมควคยจุคนคนส่วนวาดตนจานเต้าผู้ภาพดาวป้าลาก็่อเอามากขี้กาใส่ปากเม้มคบมากปานใดก่อแกงไข่เกาจีหว า, วานลำตี้นำนาเป็นมากขี้กาวิเศษอยู่ในเขตอุทายา น, าน จะลดหวานบ่น้อยเป็นดังอ้อยดีหลีเฮายังมีหลายแหล่นำมาแพรตกปันจิงปลากันอย่าจ้ากินต่อหน้าเร็วไวกันเจ้าหอใจที่ลาดกาวเตียงขาดสุดปลายคนตั้งหลายมวลหมูกก่กางอันอยู่โรงกันก่อปลากันหลีบเฮา กินตามเต้าผู้บ้านแม่นว่าบอหวานจักกาขมติดปากติดคอเขาก่อนย่อมือไวบอกเต้าไทยผู้มีว่ามากีกาดีนี่เล่าหวานดังเต้าเจ้าไข่ปัน คือหวานมันลายหลากกินแล้วหากเปิงอใจเจ้าหอใจหยอดซอยได้ยินทอยไข่จ่ายินเครื่องกาลายหลากจิงออกปากจะทมซึ่งใจล้ำน้อยนาด ผู้มีพาญาดิลีว่าบาคีกาดีสุกแก่ขมหรือหวานแต่สันไดจุงจากไค่เกาอูเฮ า, าหูตามลายเขาก็ถ้าวายกมเก่าวาา่าคาแดดเท่าเจ้าผู้บ้านบาคีกาหวานนั่นใสบ่มีแต่ไทยเดิน ม, มา มาคีกานาีน้าหนุ่มแกย่อมข่มแต่ดีหลีส่วนมาขีกาดีสุกแกอันเต้าแผววางไปแก่คนในมวนหมู่อันพร้อมอยู่โรงกัน เขาป้ากันกมเก่าไว้เต่าเจ้าภูมีวาวหวานลำนีเสียงไข่ลอยเจ่าไทยภูบ้านมีสมปานมากวางได้ก่อสร้างเตรียมมาจิงเฮาบาขีกาซุกแกอันขมแต่โบราณ กายเป็นหวานลำบากตามเขาหากตุ้นจาส่วนว่าขานีนะ้าขอไว้บอกเต้าไท้ตามตําบ่าบหวานลำสักกา ดีแต่หาคมหลายเท้าบุญภายที่ลาดส้ำถามอัมมาศเสนาว่าจุมสู่จากาวแกว่ามามากขีกาหวานแต้ดีหลีบัด น, นี้เสนาบอดีหนุ่มเนาได้บอกเราทุนสาว่ามาขี้กาสุกแกหากคมแท้เหลือใจกูสงสัยไข้หู สูจุงอุตามีวาวานลำดีหลายหลากหรือขมปากสันไดเศดาในอำมมาตฟังเท้าทิละหัดไขจ้า ต่างกิตตาณาดันสอดว่าชนเจ้ายอดเซนาบมดีพระญ่ามีองอาจจบชาลาศักพิการเจ้าผู้บ้านยอดจอยยอมต้อยตามท้อยเอากำเฮาหนานนำน้อยใหญ่ไว้เจ้าใต้ผู้บ้านว่ามาขีกาหวานนั่นเล่าเพื่อเอาใจเจ้าห่อคำ พระนีเสนานำผู้องอาจได้โอกาสพุนสาว่ามาขีกาขมมากขมติดปากบ่หายเฮาตั้งหลายนี่เรา ควรต้วยตามเจ้าเสนาบดีแม่นโจทษ์มีน้อยใหญ่เตียงปนได้ดังหมายเข้าทั้งหลายจูผูกกันกึดหูหันจันก่อป้ากันกมเก่า ไฟเต่าเจ้าปาลาวามาขี้กาสุกแกหากคมแ้ดีลีเจ้าปุลีทิลาดฟังทอยวาทาอุณาก็จริงจะา ต, ต้านตอกับเจ้าดอบุญมีวาดูลาเสนาบดีผู้ฉลาดอันว่าอั ม, ม า, ทาทโยธาตั้งเสนาหนุมเทา ท่านาเฝ้าอยู่โรงกันจุมเข่ามันนี่ใสบ่ด้วยใจตามกองเต่าติปองคำเจ้าเพื่อเอาใจเจ้าดีลีเจ้าว่าดีเป็นแกนเขาก็ว่าแมนตามร้ายบอกขานิ่งไม้สั้นซองเฮ้แม่นจองท ร, รมดา มาขีกะขมมากเขาออกปากว่าวานเขาเกาะทุนสารตอบท้อยว่าวานจืนด้อยตัวกรมผิดกองทำหลายหลากนื้อว่าเสนามากีกาเต่าอาสาอยู่เฝ้าเอาใจเต้าเจ้าอยู่ได้ได้บ่หูกวงควายก่อสร้าง เมืองกว้างเรืองไหลกิตจาใดใดน้อยใหญ่บ่ได้ใจพระญาต n ตนเต้ากังวนคำเจ้าจักเอาใจเจ้าเดือหัวย้อนวากัวเต้าไทยบ่ฮือยศใหญ่ไปลุน จุมหมู่คุณดังนี้บอมเมน็นดีทรฮมตดาบอาจทักษาเมืองไว้ฮืออยู่ใดนานไปจุมคนไหนไพ่ใจยอมห่อนใบเครื่องกากวรปิจจารณาตรุใสเฮือพ่ออมไป่้าเมือกันเจ้าหอจันยอดซอย ก่าวเสียงถอยว่าตีเจ้าบุญมีน้อยนาดก่ออาภิวาททุนสาวาคาแดมาหาราชาเจ้าตนเป็นเก้าเบี่ยงใจอันว่าเสนาในอามาดตั้งนักปราชญ์อาจารย์ได้ทุนสารบอกเล่าเจ้าด้วยตามเจ้าห่อใจย้อนขานิงใจสั้นที ว่ากันบ่จี้ไข่จาตวดยพญานยอดยอ ด, ดเตียงมีโดดมาปานจิงได้ทุนสารจบท้อยถามตามเต้ายอดซอยดีหลีแม่นโดดมีมาเกาโอ เจาเจ้าบังจำยาใสยาไดใสทันดักรรมน้อยใหญ่คือเข่าไดเครื่องกาเสนามาขี่กาหนีใสหากยังใจไดดีีคือกันเจ้าผู้หลียดใหญ่ปฏิบัติใจตามธรรมเสนานาหนุนเดา เสนาหนำหนุม่มเทายอมปฏิบัติตามเจ้าผู้บ้านกันเ้าใจหานหึกหยาบคุมขนาาปราวียังเจ้าผู้หลีไผ่ไต คือห่อนใม่เครื่องกาเสนะมาคขีกานีใสยอมด้วยตามเท้าไทายดีหลีนำไปทางดีแหละหายหากได้ง่ายจะมือกัน กันเจ้าห่อฉันยศใหญ่ไครหื้อภผยไตคนในสําล้านใจจู่ดาวไปเข็ดดา ว, ร, ดาวรัชธานีอยา่าได้หนีหลีกเวน้น ลบจากเส้นกองทำเหตุเสนานนำหนุ่มเทา่าอาบาดเขา้าลีพลยอมเอาตนเจ้าจ้างเป็นตัวย่างน้ำตางเอาเจ้าหอขวางเป็นแหวนแม่นบ่อแม่นสันได้เจ้าหอใจนั่นเล่าหากเป็นเก้าดีลี เจ้าปูรีที่ลาดตั้งอามาดและเสนาฟังเจ้าจะบอกเหล่าตั้งแต่เข้าสุดปลายตัง้งใจพายจืนสู่สารโยเนืองนั้นก็มีหันและนาตะโตทัดแต่นั้นไปไปนา ตนเจ้าป้าภูมีก่อเสนาบอดีน้อยนาดสอนยังโอรสราสบุตราผูปปลากายาผู้บ่หูบาปและบุญบ่หูกุลและโดดใจไล่โหดกาลีเสนาบอดียุดใหญ่กันเจ้าไทยปัญบายก็คงควายคำเจ้า สอนลกูกเจ้าเจ้าผู้บ้านว่าคาแดราจักุ ม, มานอ่อนน้อยจุ่มฟังถอยทุนสาอันคาจักจากเก่าเพือได้โหตามลายยามเจ้าบุญภายทีิลาดชีวิตขาดเมื่อมอนตนดอผู้ทอนนี่เราจักได้เป็นเจ้าแทนไป คือคนใดภัยน้อยหายต่ำค้อยมองขีตำลานดียื่นยาวไข่เข็ดดาวสิมาเป็นผาญายศใหญ่จักเอภัยใ้แย่งยำ เจะนำลลยแลชจะลับแหอานาคนหลือชาเหล่าเศว้าไปเขตเต้าแดนไกย้อนเจ้าห่อใจยดใหญ่ปาฏิบัตใจตามธรรมอันมีคุณนำมาก้างตานเก่าอ้างว่าผมมาวิหารเมตตาคือมีใจปานไปหอย ไปน้อยยิ่งใจที่พ้นหลายหนุ่มเท่าอามาดเก้าสะเืกอกันไข้หือเข่ามันใหญ่น้อยยือจืนจ้อยเจยบานกาลูนาหันคนตกผ่านกันอยากไข้หือป้นจากเครื่องขีมุติตาหันคนเป็นดีหลายแหล่มีใจแพ้จมบาน ผู้เบคขาหันคนสำลานหลายหลากเข้าของามาถมหนากรบผาทานาใครใดเอามาไว้กับตนหันคนทาลุนกันยากทูกข์ลำบากเกื่องกาย้อนกราปาลาจาดก่อนบาไหลตอนตยตันเจ้าหอจันยศใหญ่ควรวางใจไว้ตามธรรม กันเจ้าหอคำที่ลาดบ่เว้นขาดผมมาวิหารทั้งสี่ประการนี่ใสจุมภัยใจหญิงใจเสนาหลายหนุ่มเท่า้าหมาัดเก้าคนไหนยอมมีใจจืเยาวย่อคุณเต้าดีหลีเป็นปพระผู้มีเจ้าฟ้า จุงหักไฟฟ้าประจาโบราณจาบอกเล่าตั้งแต่เก่าเดิมออนว่าเป็นพระภูทรยศใหญ่ฮือรักไผใตยิงใจกันเป็นหนายฮือหักหมู่กันเป็นปู่ฮือหักหลานเป็นอาจารย์นักปราชญ์ยาละขาดปิ่นเตาหันคนเมาอย่าไกลหันคนใบอย่าจา เป็นข้ามโมโโชชกาแก่บ้านอย่าขีข้านการลวงคนปั้นปวงน้อยใหญ่อันอยู่ไกลแดนตนอันอยู่ไกลแดนตนเฮอกังวลอวงคอ ง, องตั้งปีนอ้องวงใหญ่อย่ามีใจประมาทอย่าเว้นขาดเสียสิน อย่าตีกินลูกขอบอย่าได้ออกเสียทำเฮอแยงยำป่อแม่ตั้งเท่าแก่ตาาจาตันมีกุลหลายหรือน้อยเฮเก็บหม่ห้อ ย, ห, อยหัวใจคนผู้ใดใบบอดบ่อดึดหลอดหันคุ้นป่างไปลุ้นเมื่อซอย ยอมกาดก้อยโมลานาบาปกำม้าตกรอดลงสู่หอดอาเวจีสาวยทุกขีหลายแล่บ่เว้นแวคืนวันและนะเนติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาหองเหตเสนาบาขีกา ก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วเตอานี้ก่อนแล้ว